พวกเรามาทำบุญกันแต่เรารู้เปล่าว่าบุญคืออะไรบางทีเราอาจจะคิดว่าบุญเป็นของที่อยู่ไกลจากตัวเราเป็นอะไรที่ลอยอยู่ในท้องฟ้าเป็นอะไรที่เราจับต้องไม่ได้แต่ความจริง บุญก็คือความสุขใจอิ่มใจนี่เอ ง, เ, องเวลาเราทำบุญเราจะได้รับความสุขได้รับความอิ่มใจซึ่งเป็นความสุขที่ต่างจากความสุขที่เราได้รับจากการไปเที่ยวไปดูไปฟังอะไรไปกินไปดื่มอะไร หรือความสุขจากการได้รับเงนินรับทองมาได้รับตำแหน่งหรือได้รับรางวัลเป็นความสุขคนละแบบกันความสุขที่ได้จากการทำบุญเนี่เป็นความสุขที่ไม่มีพิษไม่มีภัยถ้าเป็นผักก็เหมือนกับผักปลอดสารพิษ กินผักที่ปลอดสารพิษแล้วไม่มีพิษมีภัยกับร่างกายไม่เป็นโรคเมลงแต่ถ้าไปกินผักที่มีสารพิษผักที่ใช้ฉีดยากําจัดแมลงก็จะมีสารพิษของยากําจัดแมลงติดอยู่ในผักพอกินผักพวกนี้เข้าไป สารพิษก็จะสะสมไว้ในร่างกายแล้วก็จะกลายทำให้ร่างกายมีโรคมะเร็งเกิดขึ้นมาได้ผักก็มีสองชนิดผักที่ปลอดสารพิษกับผักที่มีสารพิษกินผักที่ปลอดสารพิษก็จะปลอดจากโรคมะเร็ง กินผักที่มีสารพิษก็จะมีโรคมะเร็งตามมาฉันใดบุญที่ได้จากความสุขที่ได้จากการทำบุญนี้เป็นความสุขที่ปราศจากความทุกข์ต่างกับความสุขที่ได้จากรูปเสียงกลิ่นรสความสุขที่ได้จากลาบยศสรรเสริญเป็นความสุขที่ มีพิษมีภัยมีความทุกข์ตามมาเพราะเป็นความสุขที่ไม่อิ่มไม่พออได้แล้วอยากจะได้อีกอที่ได้ก็อยากจะให้อยู่ไปนานๆอพอได้มาก็เลยเกิดความหวงเกิดความหวงขึ้นมาเกิดความกังวลขึ้นมาและเวลาที่สูญเสียไป ก็เกิดความเสียใจตามมานี่คือความสุขที่เราได้จากลาบยศ ส, ส, สรรเสริญจากรูปเสียงเกลื่นนดัดมันจะมีความทุกข์ติดมาด้วยเหมือนกับพิษที่ติดกับผักกินพิษกินผักที่มีพิษเดี๋ยวก็มีโรคมาเร่งตามมา ความสุขที่เราได้จากลาบยศเสริญ <c oughs> จากรูปเสียงเกล็ดนสดก็เช่นเดียวกันได้มาแล้วเดี๋ยวเดียวก็หายไปกหมดไปจากเราไปพอจากไปมันก็ทำให้เราเกิดความเสียใจขึ้นมาต้องเดินรอนหาใหม่ ไม่เหมือนกับความสุขที่ได้จากการทำบุญเวลาเราทำบุญแล้วจะไม่มีความทุกข์ความําวนตามมาเพราะเราไม่ได้ได้อะไรมาจากการทำบุญเรามีแต่เสียสิ่งที่เรามีไปเสียลาบยศสรเสริญเสียรูปเสียงเกลรดนอดไป แต่การเสียแบบนี้กับทำให้เรามีความสุขเห็นไหมญาติโยมเสียเงินทองไปเนี่ยแทนที่จะเสียใจกับเกิดความสุขใจขึ้นมาแต่ถ้าเกิดเสียไปเพราะถูกขโมยไปถูกโกงไปเนี่ยก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมานี่คือความสุขที่ได้ ที่เกิดจากการทำบุญการทำบุญนี้จะทำให้เกิดความสุขใจอิ่มใจพอใจจะไม่หิวไม่อยากได้อะไระจะไม่เสียดาย เ, เวลาเสียอะไรไป เ, เพราะการทำบุญก็คือการเสียนั่นเองการทำบุญคือการขาดทุนไม่ได้กำไรเสียเงินเสียทองเสียเวลาเสีย สมบัติเสียสิ่งนั้นเสียสิ่งนี้เสียคนนั้นเสียคนนี้ไปแต่แทนที่จะได้รับความเสียใจกลับมากลับได้รับความสุขใจอิ่มใจพอใจขึ้นมานี่แหละคือความสุขที่แท้จริงความสุขที่เกิดจากการทำบุญพระพุทธเจ้าสอนวิธีสร้างความสุขใจ จากการทำบุญนี้มีอยู่ถึงสิบวิธีด้วยกันถ้เาเราอยากจะมีความสุขใจเราสามารถเลือกทำได้หลายวิธีด้วยกันตามความเหมาะสมตามกำลังของเร า, เาสิ่งที่ง่ายที่สุดที่เราทำกันอยู่เรื่อยๆก็คือการเสียเงินเสียทอง ให้เงินให้ทองผู้อื่นไปเพื่อให้เขาได้รับประโยชน์ได้รับความสุขจากเงินทองที่เราเสียสละไปบุญแบบนี้ถ้าเรียกว่าทานคือการให้ให้เงินทองให้ข้าวของเรียกว่าวัตถุทานถ้าเราไม่มีเงินทองที่จะให้ เราให้อย่างอื่นได้มียังมีอย่างอื่นที่เราให้ได้คือถ้าเรามีความรู้เราให้ความรู้ได้จะเรารู้จักวิธีทำกับข้าวรู้จักวิธีเย็บปักถักร้อยรู้จักวิธีเย็บเสื้อผ้าเราสอนคนที่ไม่รู้ได้พอคนที่เขาไม่รู้ได้รับความรู้จากเรา เขาก็าไปทำประโยชน์ได้เขาก็ไปเปิดร้านขายกับข้าวขายอาหารได้เปิดร้านทำเล็บทำผมทำอะไรได้เพราะเขาได้เรียนรู้จากเราโดยที่เราไม่คิดเงินทองเป็นผลตอบแทนเราให้เขาไม่ต้องการรับอะไรจากเขาทานนี้แปลว่าให้ไม่ใช่รับ ถ้าให้แล้วรับอะไรกลับมานี้เราไม่เรียกว่าทานเราเรียกว่าซื้อขายแลกเปลี่ยนเช่นเวลาเราไปที่ร้านเราให้เงินเขาเขาก็ให้ของเรามาอันนี้ไม่ได้เป็นการให้แบบทำบุญไม่ได้เป็นบุญไม่ได้เกิดความสุขใจอิ่มใจขึ้นมาแต่ถ้าเราให้โดยที่ไม่รับของกลับคืนมา อันนี้แหละถึงจะเรียกว่าบุญให้เงินเขาแล้วไม่ต้องการอะไรจากเขาต้องการให้เขาได้รับประโยชน์สุขจากเงินทองที่เราให้เขาไปถ้าเรามีเงินทองถ้าเราไม่มีเงินทองเรามีความรู้เราอยากมีบุญเราอยากได้บุญเราก็สอนเขาให้เขารู้วิธีความรู้จากเรา เรารู้อะไรสอนเขาไปเขาก็เอาไปทำประโยชน์ได้รู้ภาษาอังกฤษรู้ภาษาจีนรู้ภาษาละเซียก็สอนคนที่อยากจะรู้ภาษาเหล่านี้พอเขารู้แล้วเขาก็าไปทำงานได้เป็นล่ามได้ถ้าเราไม่มีเงินทองเรามีวิชาความรู้ก็ให้ความรู้แก่ผู้อื่น ให้แล้วเราก็จะเกิดความสุขใจอิ่มใจขึ้นมาแล้วไม่มีเมนไม่มีพิษไม่มีภัย เ, เวลาที่เราไม่ได้ให้เราก็ไม่รู้สึกเดือดร้อนอะไรเวลาไม่มีใครจะมาเรียนมาขอความรู้จากเราเราก็รู้สึกเฉยเฉยไม่เดือดร้อนออไม่เหมือนกับความสุขที่เราได้จากการไปดูไปฟังอะไระ เวลาที่เราไม่ได้ดูไม่ได้ดูไม่ฟังเราก็จะเกิดความอยากดูอยากฟังขึ้นมาพอเราเกิดความอยากดูอยากฟังแล้วไม่ได้ดูไม่ได้ฟังความไม่สบายใจก็ตามมานความสุขคนละแบบกันความสุขแบบที่ได้มานี้จะทำให้เราอยากได้อยู่เรื่อยๆแล้วพอเราไม่ได้ตามความอยาก เราก็จะทุกข์แทนที่เราจะสุขเราก็จะทุกข์เนี่ยอนี่คือความแตกต่างในรูปแบบของความสุขสองรูปแบบด้วยกันอความสุขแบบไม่มีทุกข์กับความสุขแบบมีทุกข์เนีก็เหมือนกับผักที่ปลอดสารพิษกับผักที่มีสารพิษเนี่ยหรือปลาที่มีก้างกับปลาที่ไม่มีก้างอ หรือยาพึ่งที่ใส่ไว้ในแก้วกับยาพึ่งที่เครือบใบมีดโกนเนี่ยถ้าไปกินยาไปกินน้ำพึ่งที่เครือบใบมีดโกนอยู่ก็อาจจะถูกมีดโกนบาดปากได้แต่ถ้าดิมน้ำพึ่งที่อยู่ในแก้วนะมันก็ไม่มีพิษมีภัยต่อปาก นี่คือความสุขสองอย่างในโลกนี้ส่วนใหญ่พวกเราจะรู้จักความสุขจากการได้มาเราไม่ค่อยรู้จักความสุขจากการให้ไปเราเลยมักจะต้องเจอความทุกข์กันอยู่เรื่อยๆเพราะความสุขที่ได้จากการได้มา มันไม่พอนั่นเองได้มาแล้ววันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็อยากได้เพิ่มขึ้นมาแล้วพออยากแล้วไม่ได้ก็เสียใจไม่สบายใจไม่พอใจหรือได้มาแล้วแล้วเสียไปก็เสียใจเชนวันนี้ได้ทองได้เงินได้ทองมาเดี๋ยวตอนบ่ายถูกขโมยเอาขโมยเงินขโมยทองไป พอเสียเงินเสียทองไปก็เกิดความเสียใจเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาแต่ถ้าเราเอาเงินเอาทองไปทำบุญเราได้รับความสุขใจแล้วเราจะไม่มีเงินทองที่จะต้องเสียเพราะว่าเงินทองเราให้ไปแล้วเงินทองเราเสียไปแล้วถึงแม้ว่าเราจะเสียเงินทองก้อนใหม่เราก็จะไม่รู้สึกเสียใจ ถ้าเรามองไปว่ามันก็เป็นการทำบุญทำทานอีกครั้งหนึ่งเออตอนเช้าไปทำบุญที่วัดเสียเงินเสียทองไปกลับมาบ้านเอาเงินที่บ้านถูกขโมยขโมยไปถ้าคิดแบบคนทำบุญก็คิดว่ า, าได้ทำบุญสองครั้งตอนเช้าเอาเงินไปทำบุญที่วัดกลับมาบ้านขโมยมาขอทำบุญขอเอาเงินไปทำบุญ ก็ให้เขาไปอก็จะได้ความสุขอ่า น, นี่คือเรื่องของการหาความสุขพระพุทธเจ้าบอกว่าให้เรามาหาความสุขแบบไม่มีสารพิษดีกว่าให้มากินผักที่ไม่มีสารพิษกันอย่าไปกินผักที่มีสารพิษอย่าไปหาความสุขที่มีความทุกข์ตามมาความสุขที่ได้จาก ลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสนี่มันจะมีความทุกข์ตามมาเพราะมันจะทำให้เราอยากได้อยู่เรื่อยๆแล้วเราจะต้องเจอวันหนึ่งหรือเวลาใดเวลาหนึ่งที่เราจะไม่สามารถได้ตามความอยากพออยากได้อะไรแล้วไม่ได้ดังใจอยากก็จะเสียใจหรือเสียสิ่งที่เราได้มาไปก็จะเสียใจ อันนี้เป็นความสุขที่เป็นกับดักของความทุกข์นั่นเองคนไม่ฉลาดก็จะไปติดกับดักของความทุกข์เพราะคิดว่ากำลังไปหาความสุขกันไปหาข้าวของเงินทองไปหายศหาตําแหน่งไปหารางวัลอะไรต่างๆไปหารูปเสียงเกล็ดนัดต่างๆมาเสพ แล้วก็จะต้องมาล่องห่มล่องไห้เสียอกเสียใจมาหวงมาห่วงมาวิตกมากังวล เ, เพราะของพวกนี้มันไม่แน่นอนบางทีก็อยู่กับเรานานบางทีก็อยู่กับเราเดี๋ยวเดียวเวลาจะได้มาก็ไม่แน่นอนกว่าจะได้บางครัง้งบางคราวก็ต้องเหน็ดเหนื่อยไม่อย้า ่คือความสุขที่คนส่วนใหญ่ในโลกนี้หากันเพราะเขาไม่ได้เคยเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือเขาเข้าหาแต่เขาไม่เข้าใจความหมายของการหาความสุขเขาไม่รู้ว่าการทำบุญนี้คือการหาความสุขอีกรูปแบบหนึ่งเป็นความสุขที่ดีกว่า การหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลินรสต่างๆนั่นเองนะพระพุทธเจ้าสอนให้พวกเราถ้าอยากจะมีความสุขกันให้มาหาความสุขจากการทำบุญดีกว่าการทำบุญนี้ก็มีหลายรูปแบบด้วยกันรูปแบบแรกก็คือการให้เรียกว่าทาน ที่เราเรียกว่าทำบุญทำทานทำบุญด้วยการให้เช่นให้ข้าวของเงินทองวันนี้ญาติโยมเอาเข้าวของต่างๆมาให้เอาเงินทองมาให้ให้แล้วก็จะเกิดความสุขใจอิ่มใจขึ้นมาถ้าไม่มีเงินทองก็ให้อย่างอื่นก็ได้ให้ความรู้ก็เรียกว่าวิทยาทาน วิทยาทานก็เวลาเรามีความรู้แล้วมีคนเขาอยากจะเรียนรู้จากเราเราก็สอนเขาโดยไม่คิดเงินคิดทองแม่เรียกผลตอบแทนกลับคืนมาให้ฟรีๆถึงจะเป็นบุญถ้าสอนแล้วเก็บค่าสอนนี้ก็จะไม่ได้บุญนี่คือวิธีสร้างความสุขแบบที่สองแบบของการให้อะ คือให้วิชาความรู้ถ้าเราไม่มีเงินทองจะให้วิธีให้แบบที่สามก็คือให้อภัย เ, เวลาเราโกรธใครนี้เราจะทุกข์ใจเราจะร้อนถ้าเราให้อภัยเขาได้ใจเราก็จะเย็ยนจะหายทุกข์หายร้อนใจเราก็จะกลับมีความสุขได้ เวลาลอยรใครเขาทำอะไรให้เราเสียหายเดือดร้อนล้วเราคิดจะล้างแค้นแต่พอมาเปลี่ยนใจว่าไม่เอาดีกว่ายุ่งยากมากเรื่องยกให้เขาไปเช่นเขาขับรถมาชนท้ายเราถ้าจะไปฟ้องร้องกันก็เหนื่อยเสียเวลาก็ให้อภัยเขาไป เราก็มีประกันเราก็ไม่เดือดร้อนอะไรเขาก็จะได้ไม่ต้องมาต้องมาชดใช้ค่าเสียหายให้กับเราเขาอาจจะยากจนอาจจ ะ, ะไม่มีเงินที่จะมาจ่ายค่าเสียหายเขาอาจจะไม่มีประกัน อ, อันนี้ถ้าเราคิดว่าให้อภัยเขาได้ ไม่โกรธเขาไม่เกลียดเข า, เเขาความทุกข์ที่เกิดจากความโกรธความเกลีย ด, ดก็จะหายไปความสุขก็จะเกิดขึ้นมานี่ก็อีกวิธีหนึ่งให้อภัยการให้ก็มีอีกวิธีหนึ่งคือให้ธรรมะสมัยนี้เราให้ธรรมะกันง่ายเราเปิดเฟซเข้าไป พออ่านข้อความธรรมะข้อความไหนแล้วเราอ่านแล้วเกิดความสุขใจเกิดความประทับใจเราก็กดแชร์ได้เลยะแชร์ก็แปลว่าการให้นั่นเอง เ, อเรียกว่าให้ธรรมทานาให้ธรรมะ เ, เรียกว่าธรรมทานะพ อ, อกดไปส่งไปให้เพื่อนฝูงพอเพื่อนฝูงได้อ่านก็เกิดความสุขใจอิ่มใจขึ้นมาสาธุกลับมา อันนี้ก็เป็นการให้ความสุขกับผู้อื่นแล้วก็ให้ความสุขกับตนเองพอรู้ว่าผู้อื่นเขาได้รับความสุขจากการให้ของเราเราก็มีความสุขบางทีเพื่อนกำลังทุกข์กับเรื่องนั้นเรื่องนี้พอส่งธรรมะไปให้เขาอ่านปั๊บเขาหายทุกข์เลยเขาดีใจเขารีบส่งกลับมาบอกว่าโอ้ย ขอสาธุขอนนโมธนาเมื่อกี้ทุกจะตายพอได้อ่านธรรมะปั๊บหายทุกเลยอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการให้ธรรมทานเนั้นการทำบุญนี่มีหลายวิธีด้วยกันในเรื่องของการให้นะให้วัตถุทานให้ข้าวของเงินทองก็เรียกว่าวัตถุทานให้ความรู้ก็เรียกว่าวิทยาทาน ให้อภัยก็เรียกว่าอภัยทานเช่จนสามีภรรยาทะเลาะกันไม่ยอมลงกันถ้าใครคนหนึ่งยอมปั๊บให้อภัยยอมแพ้ไม่เอ า, ไ ม, เอาไม่เอาเรื่องเอาราวพอคนหนึ่งยอมอีกคนก็จะยอมตามแทนที่จะเป็นบ้านแตกสาหร่ายขาดก็กลับมาเป็นบ้านที่มีความสุขเพราะมีการให้อภัยกัน ไม่เอาเรื่องเอาราวกันเดี๋ยวถ้าเรามีธรรมะอ่านหนังสือธรรมะอ่านอะไรในในเฟซบ o ๊นี้เห็นว่ามีคุณค่ามีคุณประโยชน์ทำให้เรามีความสุขใจอิ่มใจทำให้เราดับความทุกข์ใจได้เราก็แบ่งปันให้แก่ผู้อื่นได้ก็เป็นการให้ธรรมะเรียกว่าธรรมทานนี่แ นี่คือเป็นวิธีสร้างความสุขให้ด้วยการทําทานชนิดต่างๆพระพุทธเจ้าสอนวิธีให้ความสร้างความสุขแบบปลอดสารพิษนี้อยู่ถึงสิวิธีด้วยกันทานคือการให้นี้เป็นวิธีทีน่งวิธีแรกวิธีที่หนึ่งวิธีที่สองที่จะทําให้เรามีความสุขใจได้ ก็คือให้เราละเว้นจากการกระทำบาปนะให้เรารักษาศีลห้ากันนะถ้าเราไม่ฆ่าสัตว์เนี่ยเราจะไม่ทุกข์ใจเวลาเราไปฆ่าสัตวนะ์เนี่ยถ้าเราไม่รักทรัพย์เราจะไม่ทุกข์ใจเวลาเรารักทรัพย์แล้วเราจะทุกข์ใจถ้าเราไม่รักทรัพย์เราก็จะไม่มีความทุกข์ใจ ถ้าเราไม่มีการกระทำบาปไม่มีการประพฤติผิดประเวณีไม่ไปทำกิดนอกหน้านอกของครอบครัวไปยุ่งกับผู้อื่นเรายุ่งกับสามีภรรยาของเราเท่านั้นคนอื่นเราอยากไปยุ่งไปยุ่งแล้วทำให้ใจเราไม่สบายใจขึ้นมาได้ เวลาเราพูดก็อย่าไปพูดปดอย่าไปโกหกหลอกลวงพอเราพูดปดแล้วเราจะไม่สบายใจพอเรากลัวว่าจะถูกเขาจับได้ในภายหลังนี่คือวิธีสร้างความสุขแบบที่สองง่ายๆอย่าไปฆ่าสัตว์อย่าไปลักทรัพย์อย่าไปประพฤติผิดประเวณีอย่าไปพูดปด แล้วก็อย่าไปเสพอบายามุขเพราะเสพแล้วมันจะทำให้เราไปทำบาปง่ายเยนอย่าไปดื่มสุรายาเมาอย่าไปเล่นการพนันอย่าไปเที่ยวเตรอย่าไปคบคนที่ชอบอบายามุขเป็นมิตรอย่าไปมีความเกลียดคร้านเพราะอบายามุขนี้มีแต่ดึงดูดเงินทอง ไม่มีการดูดเงินทองเข้ามาหาเรานีแต่จะดูดเงินทองที่เรามีอยู่ให้น้อยลงไปแล้วหมดไปได้พอเราขาดเงินขาดทองเราไม่รู้จักหาเงินหาทองโดยวิธีที่ถูกต้องเราก็จะต้องไปหาโดยวิธีทำบาปกันนั่นเองดัง น, นั้นอย่าไปเสพอบายามุกถ้าเราไม่อยากจะทำบาป เพราะการเสบบบาลยามุขนี้่อเป็นเหตุเป็นผู้สนับสนุนในการที่เราจะไปทําบาปต่อไปได้ถ้าเราไม่ทําบาปแล้วใจเราก็จะเย็นใจจะสบายไม่ต้องมาวิตกกังวลหวาดกลัวกับการที่จะถูกไปจับไปลงโทษนั่นเอง น, นี่คือบุญชนิดที่สองความสุขใจชนิดที่สอง คือการมารักษาศีลกันออข้อที่สามเรียกว่าภาวนาออภาวนาก็เป็นวิธีทำให้เรามีความสุขใจก็คือวิธีการนั่งสมาธินี้เองเรียกว่าสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาคือการใช้ปัญญาสอนใจให้ระงับดับ ความทุกข์ต่างๆที่เกิดจากกิเลสตัณหาได้ถ้าเรามีสตินั่งสมาธิได้ใจไม่คิดปรุงแต่งใจหยุดคิดได้ก็จะเกิดความสุขใจขึ้นมาอีกแบบหนึ่งเป็นความสุขใจที่สูงสุดที่มากที่สุดความสุขใจที่ได้จากการทาบุญทำทานนี่ น้อยกว่าความสุขใจที่ได้จากการรักษาศีลความสุขใจที่ได้จากการรักษาศีลก็จะน้อยกว่าความสุขใจที่ได้จากการนั่งสมาธิทำใจให้สงบนะอันนี้ก็เป็นวิธีสร้างความสุขแบบที่เราไม่ต้องมีเงินมีทองเพียงแต่เราต้องมีสถานที่ที่สงบไม่มีอะไรมาคอยรบกวนใจ แล้วก็มีสติคอยควบคุมความคิดคอยหยุดความคิดต่างๆถ้าเราสามารถควบคุมความคิดหยุดความคิดได้เราก็จะมีความสงบแล้วใจของเราก็จะมีความสุขเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่านัตติสันติบาลังสุขัง สุขอื่นที่เหนือกว่าความสงบไม่มีนี่แหละคือความสุขที่สูงสุดคือความสุขที่เกิดจากการทำใจให้สงบแต่ก็เป็นความสุขสองระดับด้วยกันระดับชั่วคราวกับระดับถาวรถ้าความสุขที่ได้รับจากการทำใจให้สงบด้วยสติก็จะเป็นความสุขชั่วคราว พอพอสติอ่อนกำลงลงใจก็จะเริ่มคิดขึ้นมาพอเริ่มคิดความสุขที่ได้จากความสงบก็จะาจางหายไปถ้าอยากที่จะทำให้ความสุขที่ได้จากความสงบนี้ไม่หายไปก็ต้องมาใช้ปัญญาค้นหาสาเหตุว่าอะไรทำให้ใจที่สงบนี้ไม่สงบ ก็จะพบว่าเกิดจากความอยากต่างๆพออยากได้อะไรขึ้นมาใจก็จะเริ่มกวลกัง ว, วายกระสับกระสายใจก็จะต้องเริ่มกระตือรือร้นต้องดินน้นรนอยากได้นู่นได้นี่ก็ต้องไปคอยหามาความสงบก็จะหายไปถ้าอยากจะให้ความสงบอยู่ต่อไปก็ต้อง ห้ามความอยากอย่าไปทําตามความอยากการจะห้ามความอยากได้ก็ต้องเห็นว่าการไปหาสิ่งต่างๆมาให้ความสุขกับเรานี่เป็นการเหมือนกับไปหาผักที่มีสารพิษนั่นเองเพราะสิ่งต่างๆที่เราอยากได้มันมีความทุกข์ตามมาเพราะว่าได้มาแล้วมันก็จะทำให้เราทุกข์กับความความหวงความห่วง ทุกข์กับความเสียดายเวลาสูญเสียสิ่งที่เราได้มาไปพอเราเห็นว่าความอยากที่เราต้องการสิ่งนั้นสิ่งนี้จะพาเราไปหาความทุกข์เราก็จะได้ไม่ไปดีกว่าไม่อยากดีกว่าพอเราไม่อยากความไม่สง บ, บของใจก็จะหายไปแล้วความสง บ, บก็จะกลับคืนมาทันที เราก็จะอยู่กับใจไปตลอดจะหายไปก็ต่อเมื่อมีความอยากใหม่โผล่ขึ้นมาพอมีความอยากใหม่โผล่ขึ้นมาเราก็ใช้ปัญญามาระงับดับมันต่อไปทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆต่อไปความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราก็จะหายไปหมดแล้วความสงบที่เราได้ก็จะสงบไปตลอด ความสุขที่เราได้จากความสงบก็จะเป็นความสุขที่ถาวรต่อไปความสุขสงบที่ถาวรนี้พระพุทธเจ้าให้ชื่อว่านิพานเท่านั้นเองนิพานไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่ที่ความสงบของใจที่เกิดจากการกำจัดความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปเท่านั้นเอง นี่ก็วิธีหาความสุขแบบที่สามเรียกว่าการภาวนาวิธหีหาความสุขแบบที่สี่ก็คือการทำบุญอุทิศให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วบางทีเราคิดถึงพ่อแม่พี่น้องญาติสนิทมิตรสหายครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณที่ล่วงลับไปแล้ว เราอยากให้ท่านมีความสุขเราสามารถส่งความสุขไปได้ด้วยการทำบุญเช่นวันนี้เราทําบุญเสร็จแล้วเราสามารถอุทิศบุญได้เลยไม่ต้องรอให้พระมาสวดยะถาสัพพีไม่ต้องรอไม่ต้องหามิไม่หาน้ำมากรวดน้ำนี้ไม่มีไม่มีไม่เกี่ยวกับบุญที่เราอุทิศไป น้ำนี้เป็นเพียงตัวอย่างของบุญเนื่องจากบุญนี้มันไม่มีรูปร่างเราไม่สามารถมองเห็นบุญได้เราก็เลยสมมุติว่าน้ำนี้เป็นบุญและเวลาเราอุทิศบุญเราก็เทน้ําจากภาชนะหนึ่งเข้าไปอีกภาชนะหนึ่งก็คือส่งบุญจากใจของเราไปสู่ใจของผู้ที่ล่งลับไปแล้วนั่นเองใจของผู้ที่ล่งลับนี้เป็นดวงวิญญาณ ใจของพวกเรายังอยู่กับร่างกายเราทําบุญได้แต่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วทําบุญไม่ได้<อ>ถ้าเราอยากจะให้ผู้ที่ล่วงลับได้บุญเราก็ทําบุญแล้วเราก็ส่งบุญไปให้เขาด้วยการอุทิศภายในใจเช่นวันนี้พอทําบุญเสร็จก็ว่าไปในใจเลยเขาทิศส่วนบุญนี้ให้กับคุณพ่อคนนั้นคุณแม่คนนี้ กุบาญาณองนะองนี้นนปู่ย่าตายายย่าเสนทมิตรสหายนึกถึงเขาชื่อของเขาแล้วก็ส่งไปให้เขาขอให้ได้รับส่วนบุญอันนี้ที่ข้าพเจ้าได้กระทําในวันนี้เถิดนะถ้าเขารอรับอยู่เขาก็จะได้รับไปทันทีนี่ก็คือการ พอเราส่งบุญให้เขาแล้วเราก็รู้สึกมีความสุขใจขึ้นมาว่าเราได้ทําอะไรที่ดีให้กับคนที่เรารักเราชอบที่เขาทําเองไม่ได้คนตายไปแล้วทําบุญไม่ได้ต้องอาศัยคนเป็นช่วยส่งบุญไปให้ะถ้าเราอยากจะให้เขาได้บุญได้ความสุขเราก็อุทิศบุญที่เราได้ทําในวันนี้ไป แล้วพออุทิศแล้วเราก็จะเกิดความสุขขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งตอนต้นก็ได้บุญจากการทําทานในเสียข้าวของเงินทองแล้วพอเอาอุทิตบุญที่เราได้จากการทําบุญทําทานก็ได้ได้ความสุขอีกอีกรูปอีกแด้งหนึ่งอีกชั้นหนึ่งคือได้ความสุขสองกระทงเลยเวลาทําบุญทําทานทําบุญทําทานเสร็จก็อุทิศบุญต่อไปได้ นี่คือเรื่องการหาความสุขสร้างความสุขที่ไม่มีสารพิษติดตัวมาไม่มีความทุกข์ตามมาทำบุญแบบนี้ไม่มีความทุกข์ใจตามมาถ้าเวลาไม่มีได้ไม่มีโอกาสได้ทำก็ไม่รู้สึกเดือดร้อนไม่รู้สึกเสียใจแล้วบุญที่ทำมาก็ไม่หายไปไม่มีใครมาแย่งมาขาโมยไปได้นี่คือบุญการหาความสุขใจ ที่พระเจ้าทรงสอนให้เราหาวิธีอีกวิธีหนึ่งการที่จะทำให้เรามีความสุขใจได้ก็คือการอนุโมทนาบุญ เ, เช่นวันนี้แฟนไปวัดเอาเงินของเราไปทำบุญโดยไม่ได้บอกเราก่อน พอกลับมาบ้านล้วก็บอกพี่วันนี้เอาเงินพี่ไปทําบุญนะเออถ้าเราไม่อนุโมทนาเราโกรธเราก็จะไม่ได้บุญเราก็จะได้ความเสียใจทุกข์ใจแต่ถ้าเราคิดว่าเออเอาไปทําบุญก็ดีเราไม่มีเวลาไปแทนเอาไปก็ดีเราได้บุญเราได้ความสุขขึ้นมาก็อนุโมทนาขอบคุณเข้าไปอขอบใจนะที่อุตส่าห์ทำบุญให้เราแทนเราเอ แต่ต้องเป็นเงินของเราเถึงจะได้บุญแต่ถ้าเขาทำบุญด้วยเงินของเขาแล้วกลับมาบอกเราว่าเขาไปทำบุญเราจะไม่ได้บุญอะไรเพราะเราไม่ได้เสียอะไรไปแต่ถ้าเขาเอาเงินของเราไปโดยที่เขายังไม่ได้บอกเราเพราะไม่มีโอกาสอาจจะไม่ได้เจอกันไปทำบุญแล้วเขาก็เลยเอาเงินของเราไปทำด้วยทำแทนเราพอเขากลับมาบ้านเขาก็บอกพี่วันนี้เอาเงินพี่ไปทาบุญ ถ้าเราอนุโมทนาเราก็จะได้บุญสาธุขอบใจเราพอดีไม่ว่างพอดีเธอว่างไปทำแทนเราได้ก็ดีอย่างนี้ก็เกิดความสุขใจขึ้นมา แต่ถ้าไม่อนุโมทนาเสียดายเสียเงินเ ส, เสียดายเงินที่แฟนเอาไปทากลับไปโกรธแฟนด่าแฟนว่ามึงทำไมเอาเงินของกูไปไม่บอกกูก่อนอันนี้แทนที่จะได้บุญก็เลยได้ความทุกข์แทนได้บาปแทนมาฉะนั้นเราต้องรู้จักวิธีอนุโมทนาบุญไม่ใช่แบบใครก็ไปทำบุญแล้วมาบอกเราว่าพี่วันนี้ไปทำบุญ ถ้าเราสาทุไปมันเราไม่ได้บุญอะไรหรอกเพราะมันไม่ได้เป็นเงินของเราแต่ถ้าเข้า เ, าเงินของเราไปเนี่ยถ้าเราไม่สาทุเราจะทุกเข้าใจไหมถ้าเราสาทุแล้วเราก็จะไม่ทุกเราก็จะสุขเราก็จะดีใจ นี่คือวิธีอนุโมทนาบุญญาโยมไม่เข้าใจคิดว่าไปทำบุญแล้วกลับมาตัดบ้านต้องบอกคนนั้นคนนี้ว่าเราไปทำบุญให้เขาอนุโมทนาเขาอนุโมทนาหรือไม่อนุโมทนาเขาก็ไม่ได้ความรู้สึกอะไรเพราะเขาไม่ได้เสียอะไรไปเขาต้องเสียอะไรไปเราต้องเอาของไปทำบุญเช่นเขามีหมาน่ารักเราเอาไปให้คนอื่นเราบอกพี่เอาไปทาบุญ เจ้าของหมาที่รักหมานี่ดูสิว่าจะอนุโมทนาได้หรือเปล่าออถ้าอนุโมทนาได้ก็ได้ความสุขใจอแต่ถ้าอนุโมทนาไม่ได้นี่อาจจะโกรธเกลียดอาฆาตพยาบาทขึ้นมาก็ได้โกรธแทนโกรธเคลืองขึ้นมาก็ได้เธอเอาหมาของฉันไปทําบุญได้ยังไง นี่คือความหมายของการอนุโมทนาบุญเวลาใครเขาเอาของเราไปแล้วเขามาบอกเราทีหลังว่าเขาเอาไปแล้วเราต้องออนุโมทนาที่ว่าเป็นการให้เขาไปเป็นการทําบุญกับเขาไปก็แล้วกันแล้วเราก็จะได้บุญถต่แม้ว่าจะเป็นบุญแบบบังคับแต่อย่างน้อยก็ถ้าเรายินยอมเราก็ยังได้บุญอยู่ ถ้าเราไม่ยินยอมก็เราจะได้บาปแทนดีไม่ดีก็จะไปะด่าเขาไปทุบตีเขาไปล้างแค้นไปเอาของเขามาคืนเขาเอาของชิ้นนี้ไปเราก็ต้องเอาของชิ้นนั้นกลับมาคืนเออันนี้ก็เลยกลายเป็นการทําบาปไปเอ ดังนั้นเวลาใครก็เอาของเราไปแล้วก็มาบอกเราในภายหลังแล้วอ่ะสาธุอนุโมทนาไปบางคนญาติโยมฝากเงินมาทําบุญกับเราเขาดันเราไปทําบุญที่อื่นอ้วเรามาบอกเราทีหลังบอกก็สาธุไปก็เป็นการทําบุญเหมือนกันเราก็ได้รับความสุขเหมือนกันอนี่คือการมีความสุขใจ กับเหตุการณ์ที่เราอาจจะไม่คาดฝันอันนี้ต้องเตรียมซ้อมไว้ก่อนนะต้อง ค, คิดเผื่อไว้ตรงหน้าเกิดวันดีคืนดีใครเอาของเอาเงินเราไปโดยที่ไม่บอกเราก่อนแล้วมาบอกเราที่หลังว่าพี่หนูว่าไปใช้แล้วล่ะเอาไปทำบุญแล้ว อ, าอาสาธุอนุมโมทนาอา้อยเข้าปากช้างแล้วไปโกรธทาไมโกรธก็ไม่ได้คืนโกรธก็ทาให้เรา เสียสองเดงเสียเงินแล้วก็ยังต้องมาเสียใจเราต้องเอากำไรคืนมาด้วยการดีใจเขาเอาไปทำบุญเข า, เาไปใช้ก็สาธุอนุโมทนาเราก็จะได้เสียของไปแต่เราจะได้ได้ความสุขกลับมาแทนไม่ขาดไม่เสียสองเดงเสียอย่างได้อย่างก็ถือว่ากำไรไม่ขาดทุน เพราะของที่เสียไปคุณค่าราคาสู้บุญที่เราได้มาไม่ได้นี่คือวิธีทำให้เรามีความสุขเวลาเราเจอเหตุการณ์บังคับให้เราต้องทำบุญบางทีเราไม่ตั้งใจจะทำบุญแต่เหตุการณ์มันบังคับให้เราต้องทำบุญเพราะอ้อยมันเข้าปากช้างไปแล้วเงินมันหมดไปแล้วของที่เรามีอยู่เขาไปเสียแล้วแล้วมาบอกเราทีหลัง เราก็บอกอา้าวสาธุนี่แหละเรียกว่าอนุโมทนาอาแล้วเราก็จะได้ไม่เสียใจไม่ทุกข์ใจไม่โกรธแค้นโกรธเคืองเราก็จะได้ความสุขใจนี่วิธีอีกวิธีหนึ่งในการทําบุญอันนี้ต้องมีเหตุการณ์เกิดขึ้นถึงจะทําได้ต้องมีใครมาเอาเข้าวของเงินทองเราไปโดยที่ไม่ได้บอกเราก่อนแล้วค่อยมาบอกเราในภายหลัง ตอนนี้เราต้องฝึกซ้อมวิธีนี้ไว้ก่อนต้องเตรียมตัวเตรียมใจนึกไว้ก่อนว่าเออเกิดใครเอาของที่เราชอบไปแล้วมาบอกแล้ว่าเขาเอาไปแล้วเอาไปให้คนนั้นคนนี้หรือเอาไปใช้เอาไปกินแล้วอ่บางคนเอาขนมอร่อยของเราเก็บไว้ในถ้อยแต่เขาอยากจะกินเอาไปกินก่อน กินเสร็จแล้วก็มาบอกเราพี่ดูเอาขนมของพี่ไปกินแล้วนะอ้าวสาธุอนโมธนาหนูได้กินหนูมีความสุขก็พี่ก็ยินดีอย่างนี้ก็จะไม่เสียใจไม่ทุกข์ใจมีความสุขใจจากการเสียไปจากการได้ทำบุญทำทานนี่คือวิธีหนึ่งแล้วก็อีกวิธีหนึ่งที่จะทำให้เรามีความสุขใจก็คือเวลาที่ เราเห็นคนเขาต้องการความช่วยเหลือหรือสถานที่ที่เราไปต้องการคนช่วยเหลือทำนู่นทำนี่ญาติโยมมีญาติโยมอยู่คู่หนึ่งจะมาที่นี่ช่วยล้างห้องส้วมให้ทุกทุกวันจันทร์เนี่ยวันจันทร์มาถึงก็เดี๋ยวก็มาช่วยล้างห้องส้วมให้พอเห็นว่าห้องส้วมนี้มีแต่คนใช้ไม่มีคนล้างอยากให้มันสรอา ก็เลยมาทำบุญด้วยการล้างห้องสุวมอันนี้ก็เป็นการทำบุญการทำบุญด้วยการรับใช้ผู้อื่นบางคนอาจจะไม่มีเงินทองที่จะซื้อข้าวซื้อของมาแต่มีเวลาว่างก็ไปเป็นอาสาสมัครรับใช้สาธารณะกุศลต่างๆไปเป็นปอแตกตึงช่วยการกู้ภยัย ช่วยกันไปเก็บศพอะไรทำนองนี้นี่ก็เป็นการทำบุญอีกแบบหนึง่งทำบุญด้วยการรับใช้ผู้อื่นทำแล้วจะทำให้เรามีความสุขใจอิ่มใจสบายใจวิธีอีกวิธีหนึ่งที่จะทำให้เรามีความสุขก็คือให้เราเป็นผู้อ่อนน้อมถ่อมตนให้มีสัมมาคาระวะ เวลาเราพบปะกับคนถ้าเราอ่อนน้อมถทำตนนี้เราจะไม่มีใครรังเกียจนะถ้าเราไปถือเนื้อถือตัวว่าเราเก่งเราดีเราวิเศษเนี่ยจะไม่มีใครอยากจะคบค้าสมาคมกับเราแต่ถ้าเราทําตัวเราเป็นผู้น้อยเป็นผู้ผู้มีความเคารพถึงแม้ว่าเขาจะไม่ใหญ่กว่าเราก็ตามแต่เรายอมอ่อนน้อมให้เขาเขาก็จะไม่รังเกียจเรา เขาก็ยินดีที่จะคบค้าสมาคมกับเราและดีไม่ดีเขามีอะไรดีๆเขาอาจจะมีแบ่งให้เราก็ได้เพราะเขาเห็นว่าเราเป็นคนที่อ่อนน้อมเป็นคนที่น่ารักน่าคบค้าสมาคมด้วยถ้าเราไปทําตัวเป็นคนอวดเก่งอวดดีอวดวิเศษ หอดใหญ่อดโตนี่จะไม่ค่อยมีใครอยากจะคบคาสมาคมด้วยเราจะไม่ค่อยมีเพื่อนเราจะรู้สึกวังเวงยังไงก็ไม่รู้นไม่เหมือนกับเวลาที่เรามีความอ่อนน้อมถ่อมตนไปที่ไหนก็มีแต่คนเขารักเขาชอบเรามีอะไรเขาก็อยากจะให้เราอันนี้ก็คือวิธีทําให้เรามีความสุข เวลาที่เราต้องเข้าสังคมเวลาที่เราต้องไปพบปะกับคนนั่นคนนี้เกี่ยวข้องกับคนนั่นคนนี้ออทาตัวให้เป็นปฏิปีไว้จะดีที่สุดพระพุทธเจ้าสอนทำตัวให้ต่ำไวออ้แล้วจะไม่มีใครรังเกียจแลวเราจะไม่เสียใจถ้าไม่มีใครเขายกย่องเราเพราะเราทำตัวเราเป็นดินอยู่แล้วเราเป็นเหมือนแผ่นดินใครจะเหยียบจะย่มอย่างไรเราก็ไม่เสียใจ เพราะเราพร้อมที่จะรับการเหยียบย่ำการดูถูกดูแคลนอะไรต่างๆเพราะเราเป็นผู้อ่อนน้อมถม่อมตนนั่นเองเราไม่ถือตนไม่ถือตัวการถือตัวนี้เป็นปัญหาทําให้เรานี้มีแต่ความทุกข์ใจใครพูดอะไรไม่ถูกใจหน่อยก็ทุกข์แล้วใครทําอะไรหน่อยไม่ถูกใจก็ทุกข์แล้วเพราะถือว่าเราใหญ่เขาต้องทตาตามที่เรา ต้องการอันนี้อย่าไปทำตัวแบบนั้นทำตัวแบบนั้นแล้วจะมีแต่ความทุกข์ใจทำตัวแบบเป็นผู้อ่อนน้อมถ่อมตนมีสัมมาคาระวะนี่จะทำให้มีความสุขใจไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนรับประกันได้ไม่มีใครรังเกียจคนที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนมีสัมมาคาระว ะ, <c oughs> น, ะนี่ก็คือวิธีทาบุญ ทำให้เรามีความสุขใจวิธีง่ายๆไม่ต้องมีเงินมีทองเวลาไปเข้าสังคมไปพบปะกับใครทำตัวเป็นผู้น้อยก่อนเลยให้เขาเป็นผู้ใหญ่ก่อนเลยแล้วก็จะสบายใจทั้งสองฝ่ายแล้วเดี๋ยวถ้าเขาก็อ่อนเราก็อ่อนก็ยิ่งดีหญ่ต่างคนต่างอ่อนอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขถ้าต่างคนต่างแข็งเดี๋ยวก็แตกเดี๋ยวก็หัก นี่คือการมีความสุขจากการทำตนให้เป็นผู้มีความอ่อนน้อมถ่อมตนนี่นี่คือบุญวิธีต่างๆแล้วยังมอีอีกวิธีหนึ่งก็คือการมีความเห็นที่ถูกต้อง ความเห็นที่ถูกต้องก็คือเห็นเห็นไก่เป็นไก่เห็นเป็ดเป็นเป็ดอย่าไปเห็นกลับกันอย่าไปเห็นเป็ดเป็นไก่เห็นไก่เป็นเป็ดแล้วเดี๋ยวจะมีปัญหาตามมาต้องเห็นตามความเป็นจริงความหมายก็คือให้เราเห็นว่าบุญมีจริงบาปมีจริงนรกมีจริงสวรรค์มีจริงการเวียนว่ายตายเกิดมีจริง ทำบุญแล้วทําให้เรามีความสุขใจตายไปเราไปสวรรค์เนี่ยอันนี้เป็นความจริงทําบาปแล้วจะทําให้เรามีความทุกข์ใจตายไปแล้วต้องไปเกิดในอบายเนอันนี้เป็นความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงตัดสรัรอเอาเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่พวกเราถ้าเราไปเห็นว่าตายแล้วสูญเนี่ยเป็น เป็นการเห็นที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงแล้วจะพาให้เรานี่เป็นผู้ขาดทุนเกิดมาแล้วเสียชาติเกิดเพราะถ้าคิดว่าถ้าเราตายแล้วศูนย์เราก็จะไม่กลัวเรื่องการทำบาปเราอยากจะได้อะไรแบบง่ายๆมากๆเร็วๆเราก็ทำบาปสิมันง่ายไปทำงานกว่าจะได้เงินมาสักก้อนเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าไปขโมยเงินของคนอื่นได้นี่มันเร็วกว่า ได้มาง่ายกว่ามากกว่าง่ายเร็วกว่าเพราะคิดว่าอย่างมากก็แค่ติดคุกติดตารางถ้าตายไปก็จบเพราะใครแล้วไปรับผลบุญผลบาปในเมื่อเรามีเพียงแต่เราเห็นเพียงแต่ร่างกายเราก็คิดว่าพอร่างกายตายไปแล้วไม่มีสวรรค์ไม่มีนรกตามมาน่างกายไปสวรรค์ไม่ได้ร่างกายไปนรกไม่ได้เพราะร่างกายจะไปป่าช้าไปสุสาน ไปเมนกันไปกลายเป็นขี่เท่าขี่ฐานไปแล้วใครไปรับใครไปนรกใครไปสวรรค์อันนี้ก็เพราะว่าไม่รู้ว่านอกจากร่างกายแล้วเรามีใจที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจนี่แหละคือผู้กระทาบุญกระทาบาปเนี่ยอย่างวันนี้เนะี่ยใจเป็นผู้สั่งให้ร่างกายมาทาบุญแต่ผู้ทาบุญนี้ไม่ใช่ร่างกายผู้ทาบุญคือใจผู้สั่ง ผู้มีผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆน่างกายเป็นเพียงคนรับใช้เท่านั้นเองคนรับใช้ของใจใจสั่งให้เอาเข้าของเงินทองของใจมาทำบุญใจนี้นะเป็นผู้รับผลบุญเบื้องต้นก็ได้รับความสุขใจอิ่มใจ นความสุขเอ็มใจนี้ก็จะติดอยู่ในใจเวลาร่างกายตายไปความสุขใจนี้ก็จะทำให้กายใจกายเป็นสวรรค์ขึ้นมากายเป็นเทวดาขึ้นมาอันนี้แหละคือความจริงที่เราจะต้องมี เพราะถ้าเราไม่มีแล้วเราจะไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาปแล้วเราก็จะไม่ทำบุญเพราะทำบุญมีแต่ขาดทุนใครอยากจะทำทำบุญมีแต่เสียเงินเสียทองเสียเวลาอย่างวันนี้มานั่งเสียเงินเสียทองเสียเวลาทำไมไปนั่งเล่นไพ่ไม่ดีกว่าแล้วไปเที่ยวไปกินไปดื่มไม่ดีกว่าแล้วคนที่ไม่เชื่อเรื่องบุญก็จะไม่มาทำบุญให้เสียเวลา vo <Ländern> พอตายไปก็จะไม่มีบุญติดตัวไป ขาดทุนไปแล้วก็ต้องไปเป็นขอทานมาขอรับส่วนบุญของพวกที่ยังมีชีวิตอยู่นี่คือการมีความเห็นที่ถูกต้องจะทําให้เรามีความสุขใจมีความมั่นใจในการทําบุญในการลาบบาปเพราะเมื่อเรารู้แล้วว่าทําบุญและทําบาปนี้มันมีผลตามมาต่อไปหลังจากที่เราตายไปแล้ว มีทั้งในขณะที่เรามีชีวิตอยู่เวลาทำบุญก็มีความสุขใจเวลาทำบาปก็จะมีความทุกข์ใจถ้าไม่อยากทุกข์ใจก็อยากไปทำบาปถ้าอยากมีความสุขใจก็ไปทำบุญอันนี้เราก็จะได้ <c oughs> อยู่อย่างมีความสุขใจอยู่อย่างไม่มีความทุกข์ใจตายไปก็ไปเกิดในสวรรค์ไม่ต้องไปเกิดในอบายไม่ต้องไปนรก นี่คือความสุขที่ได้จากการมีความเห็นที่ถูกต้องออความสุขอีกขั้นหนึ่งที่เราจะได้ก็คือความสุขที่ได้จากการฟังเทศน์ฟังธรรมศึกษาธรรมะคำสั่งคาสอนของพระพุทธเจ้าเพราะคำสั่งคาสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเหมือนแสงสว่างในที่มืดเนี่ยถ้าเราอยู่ในที่มืดถ้าเราไม่มีแสงสว่างเราจะมองอะไรไม่เห็น เราจะทำอะไรก็ไม่ได้ทำก็อาจจะทำแบบผิดผิดถูกถูกจับนูน่นจับนี่ก็อาจจะไปจับของที่เป็นอันตรายกับเราก็ได้แต่ถ้าเรามีแสงสว่างเปิดไฟปั๊บเราก็จะเห็นเราไม่เชื่อญาติโยมนองมาอยู่บนเขาตอนกลางคืนดูแล้วลองเดินไปไหนมาไหนดูโดยไม่มีแสงไฟดูซิว่าจะกล้าเดินไปไหนไอม ไม่กล้าไปหรอกเพราะไม่รู้จะมีอะไรอยู่บ้างถ้าจะไปไหนมาไหนตอนค่ำคืนต้องมีแสงไฟการฟังเทศฟังธรรมนี่ก็เป็นการได้รับความรู้ที่เป็นเหมือนแสงสว่างนำพาจิตใจของเราให้ไปสู่ที่ปลอดภัยถ้าเราไม่มีธรรมะคาสั่งคำสอนเราก็จะไม่มีสัมมาทิฏฐินั่นเองเราก็จะไม่รู้เรื่องบุญเรื่องบาปว่าเป็นอย่างไร เราจะไม่รู้ว่าผลของบุญของบาปคือนะัสคือสวรรค์นรกนี้เป็นอย่างไรอยู่ที่ไหนเนยะแต่ถ้าเรามาศึกษามาฟังเทศฟังธรรมแล้วเราก็จะได้เรียนรู้เรื่องราวเหล่านี้แล้วนะก็จะทำให้เราหายสงสัยในเรื่องของสวรรค์มีจริงหรือไม่นะรกมีจริงหรือไม่ทำบุญแล้วไปสวรรค์จริงหรือไม่ทำบาปแล้วไปนะรกจริงหรือไม่ ถ้าได้ฟังเทศฟังธรรมแล้วเราจะได้คำยืนยันจากพระพุทธเจ้าเองว่าไปแน่นะ่ใครทำบาปนี้ต้องไปอาบายแน่นะ่ใครทำบุญก็ต้องไปสวรรค์แน่นะ่ตายแล้วก็ต้องไปเกิดต่อไม่ใช่ตายแล้วศูนย์พอเราฟังแล้วเราก็จะเกิดความมีความมั่นใจขึ้น เกี่ยวกับเรื่องบุญเรื่องบาปเกี่ยวกับเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดมันก็ทำให้เรามีความสุขใจเพราะเราจะได้ทำบุญเราจะได้ไม่ทำบาปกันนี่ก็คือบุญความสุขที่ได้จากการฟังธรรมเนีย่ยเวลาญาติโยมฟังธรรมแล้วก็จะได้ความรู้ได้เรียนรู้สิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อน สิ่งที่เคยได้เรียนรู้แล้วถ้าได้เรียนรู้ซ้ำอีกก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นไปตามลาดับจะทำให้เราหายสงสัยในเรื่องราวต่างๆที่เราสงสัยอยู่จะทำให้เรามีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นที่ถูกต้องแล้วจะทำให้จิตใจเราสงบผ่องใสมีความสุขใจดังนั้นถ้าอยู่เฉยๆอยากจะมีความสุข ไม่มีเงินไม่มีทองก็เปิดธรรมะฟังเอามีเฟซบุ๊กเนี่ยเปิดดูได้ y o u t u ู e เปิดดูได้ทั้งวันทั้งคืนดูย้อนหลังได้ดูถ่ายทอดสดได้ตอนนี้มีถ่ายทอดสดก็ดูไปเวลาอื่นก็ดูย้อนหลังได้เหมือนกันดูย้อนหลังหรือดูสดมันก็อันเดียวกันนั่นแหละดูแล้วฟังแล้วมันก็จะได้ความรู้ได้ความสบายอกสบายใจขึ้นมา วิธีที่จะให้เรามีความสุขประการสุดท้ายก็ได้พูดไปแล้วก็คือการให้ธรรมทานถ้าเราฟังเทศฟังธรรมการ น, นี้เรารู้สึกว่ามีคุณมีประโยชน์เราก็แชร์ได้เลยส่งไปให้เพื่อนฝูงว่าเออฟังกันนี้สิฟังแล้วจะหูตาสว่างจะรู้ผิดรู้ถูกรู้ดีรู้ชั่วจะหายสงสัยในเรื่องราวต่างๆแล้วจะทาให้เรานี้ ได้รู้จักวิธีหาความสุขแบบไม่มีความทุกข์กันนนี่คือสิ่งที่วิธีสร้างความสุขของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีอยู่สิบประการด้วยกันอันที่ส่งของการสร้างความสุขเหล่านี้เราจะได้อะไรบ้างในปัจจุบันปัจจุบันพระพุทธเจ้าบอกว่าเราจะอยู่เย็นเป็นสุขเต้นก็สุขหลับก็สุขนอนหลับก็จะไม่ฝันร้าย แล้วก็จะไม่มีใครมาทำร้ายเราด้วยยาพิษหรืออาวุธนะเพราะเราไม่ไปทำให้ใครเขาเสียหายเดือดร้อนจะมีเพื่อนจะมะีจะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายเทวดาจะคุ้มครองรักษาะจะมีหน้าตาผิวพรรณผ่องใสเวลานั่งสมาธิจิตก็จะสงบง่าย แล้วถ้าตายไปก็จะไปสวรรค์ต่อไปหรือไม่หรือไม่ฉะนั้นก็ไปสูงกว่าสวรรค์คือไปพานิพานนี่คืออั น, นิี่สู์จากการที่เราหาความสุขแบบที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้หากันมีความสุขอยู่ด้วยการสิบประการด้วยกันคือหนึ่งทำทานให้แบ่งปันเข้าของเงินทอง สองรักษาศีลไม่ทำบาปสามภาวนาทำจิตใจให้สงบให้ฉลาดสี่อุทิศบุญให้แก่ผู้ที่ร่วงรับไปแล้วห้าอนุโมทนาบุญต่ อ, อต่อการทำบุญของผู้อื่นด้วยการเอาเงินของเราไปทำฉลองอนุโมทน า, าแล้วก็หกก็ให้เรา ทำบุญให้มีความสุขด้วยการรับใช้ช่วยเหลือผู้อื่นเจ็ดให้เรามีความอ่อนน้อมถ่อมตนสัมมาคารวะแปดให้มีความเห็นที่ถูกต้องเก้าให้ฟังเทศฟังธรรมสิบให้ธรรมะแก่ผู้อื่นหลังจากที่เราได้ธรรมะแล้วเราเห็นคุณค่าเห็นคุณประโยชน์ของธรรมะเราก็แจกจ่ายไปทาให้ธรรมะแก่ผู้อื่นนี้ชนะ การให้ทั้งปวงให้ธรรมะนี่มีคุณค่ายิ่งกว่าให้ข้าวของเงินทองให้อะไรต่างๆเพราะไม่มีอะไรที่จะดับความทุกข์ได้นอกจากธรรมะเท่านั้นนี่คือวิธีหาความสุขของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าทรงมาแชร์ให้กับพวกเรามาแบ่งปันให้กับพวกเราถ้าพวกเราอยากจะมีความสุขบาปปราศจากความทุกข์ อยากจะมีความสุขแบบปลอดสารพิษก็ต้องหาความสุขที่พระเจ้าสงสารที่เรียกว่าทำบุญนี้เองนะก็ขอให้ท่านจงนำมาไปพิเนตพิจารณาการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร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 มณีโชติอราโสยะถาสัพิติโยวิวัจจันโตสัพพโรโควินัสตุมัเตภวะโตอันตารายโยสุขีทีคาโยโกภาวะ อภิวาธานะสีลิตานิจังวุฒาปจายโนจตารโหธรร ม, มาวาทานติอายุวันโนสุขังพาลังช่วงต่อไปนี้เป็นช่วงถามคำถามใครอยากจะถามอะไรเชิญถามได้ในช่วงนี้เลย ถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนกระดาษใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้ผู้ติดตามทางบ้านมีเท่าไหร่วันนี้ทาง a ฟ e b o o k เข้ามาสามร้อยยี่สิบเก้ายูสองรอยยี่สิบเจ็ดวิทุออนไลน์ยี่สิบเก้ารับฟังข้างบนนี้หกสิบสี่คนรวมทั้งหมดหกร้อยสี่สิบเก้าครับอืมใคอยากจะถามอะไร เชิญถามได้ค่ะพระอาจารย์อยากสอบถามว่าถ้าการที่เราตัดความอยากที่เป็นตัวที่ทําให้เราเกิดทุกเนี่ยค่ะออกไปถ้าสมมติว่าเราตัดความอยากรวยออกไปเนี่ยค่ะมันจะทําให้แรงบันดาลใจในการหาเงินของเรามันน้อยลงหรือว่าแบบหาเงินได้น้อยลงอะไรอย่างนี้ไหมค ะ, ะแน่นอนเพราะเงินมันเป็นทุกข์เราไม่ต้องการไปหามันหาเท่าที่จําเป็นหาพอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้ ว่าเราจะได้มีเวลาไปหาธรรมะกันความอยากรวยนี่มันเป็นเป็นวัดมันเป็นกับดักให้เราติดอยู่ในการเวียนว่ายตายเกิดเพราะเราตายพอตายไปแล้วก็อยากจะกลับมารวยใหม่พอเราก็จะกลับมาเกิดใหม่กลับมาเกิดใหม่ก็ต้องมาทุกข์ใหม่มาแก่มาเจ็บมาตายใหม่มาลําบากกับการคลองชีพลําบากกับการหาเงินหาทองใหม่ มันก็จะพาให้เราติดอยู่ในวงจรอุบาทแต่ถ้าเราตัดความอยากรวยได้ก็จะทำให้เราไม่ต้องเสียเวลากับการหาเงินหาทองเราก็หาเพียงแต่พอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้เราก็จะมีเวลาว่างไปปฏิบัติธรรมได้ไปอยู่วัดได้ไปศึกษาธรรมะแล้วเราก็จะได้สร้างสติสร้างปัญญาที่จะพาให้เราไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดเล็กต่อไป คคอคกราบนมัสการพระอาจารย์สุชาติจ่ะค่ะตอนนี้หนูฟังธรรมก็ประมาณปีเศษเศษฟั ง, ง, งผ่านยูทูบไปล้วค่ ะ, ะค่ะตอนนี้หนูติดก็คือหนูนั่งสมาธิก็ประมาณสักชั่วโมงจิตเศษอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือบางครั้งคือมันนั่งไปแล้วมันรู้สึกว่าเหมือนมือมันหายตัวมันลอยเหมือนสำลีสักพักนึง มันมันมีแค่ลมหายใจแล้วก็เสียงพัดลมเสียงแอร์มันก็หายแต่หนูเกิดความกลัวหนูต้องถอนทุกครั้งเลยคื อ, อ, อ ไ, มไม่กล้าไปต่ อ, อก็ไม่มีอะไรน่ากลัวก็ใจไม่มีอะไรที่น่ากลัวไม่มีอะไรทําร้ายเราได้ยังไม่ต้องไปกลัวไม่มีใครเป็นอะไรไปกับการนั่งสมาธิมีแต่จะได้รับได้ประโยชน์ได้เป็นพระอรหันต์เป็นพระพุทธเจ้ากันจากการนั่งสมาธิ ฉันเราต้องไม่ต้องไปกลัวอะไรถ้าเรามีสติมันจะไม่มีอะไรน่าหวาดกลัวปรากฏขึ้นมาเราต้องนั่งแบบมีสติคือต้องมีพุทโธพุทโธหรือมีดูการดูลมหายใจอย่านั่งดูใจเฉยๆไปถ้าดูนั่งดูใจเฉยๆเดี๋ยวใจมันจะหลอกเราได้มันจะสร้างภาพที่หวาดกลัวน่ากลัวขึ้นมาหลอกเราแต่ถ้าเราคอยควบคุมใจ ให้มีพุโทโธพุธโทโธอยู่หรือมีการดูลมหายใจอยู่อย่างต่อเ น, นื่องจะไม่มีอะไรปรากฏขึ้นมาหลอกเราได้ถ้ามันปรากฏก็บอกว่ามันเป็นเพียงหนังนั่นเองเป็นเหมือนภาพที่บุญในจอหนังแล้วเราสามารถทําให้มันหายไปได้ด้วยการกลับมาหาพุโทโธพุธโทโธอย่าไปดูภาพนั้นเวลาเกิดภาพอะไรปรากฏขึ้นมาเราก็กลับมาที่พุโทโธพุธโทโธพุธโทโธไป พอเราอยู่กับพุโทโธสังระยะหนึ่งภาพต่างๆมันก็จะหายไปขอบพระคุณเจ้าค่ะคำถามจากคุณโอกะว่าครับเวลาที่เราทำบุญและอนุโมทนาบุญจำเป็นไหมครับที่เราต้องเอ่ยเสียงออกมาเพื่อบอกให้คนที่เราอนุโมอนุโมทนารับทราบครับ ถ้ามันไม่เกี่ยวกับเราอนุโมทนามันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรถ้าเขาเอาเงินเราไปทำบุญแล้วมาบอกเราทีหลังว่าให้เอาเงินที่เรายืมไปนี่ไปทาบุญไม่ได้ามาคืนคุณแล้วบอกอนุโมทนายกหนี้ให้เพราะเงินที่เป็นหนี้เขาไปทำบุญให้เราถ้าเราอนุโมทนาเราก็ได้บุญคำถามต่อไปจากคุณรุ่งที่วา เมื่อเช้าลูกได้นั่งสมาธิแล้วมีความรู้สึกว่าตัวเบาเหมือนจิตออกจากร่างอันนี้มันคือสภาวะของอะไรและมีวิธีแก้ไขอย่างไรเจ้าค่ะ อ, อ๋อมันก็เป็นวิธีของความของความสงบของใจพอใจว่างมันก็จะรู้สึกว่ามันไม่ได้อยู่กับร่างกายเหมือนกั็ลอยอยู่ในอวากาศก็ไม่มีความเสียหายตรงไหน เดี๋ยวพอจิตออกจากสมาธิมันก็กลับมาอยู่ในร่างเหมือนเดิมไม่ต้องกลัวไปแล้วไม่กลับนะคำถามต่อไปจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามมีความสงสัยที่พระอาจารย์บอกว่าเอาเงินเราไปทำบุญโดยที่ไม่ได้บอก แต่มาบอกตอนหลังก็อนุโมทนาบุญตามถือว่าได้บุญแล้วถ้าเพื่อนใน Facebook ไปทําบุญใส่บาตรหรือปฏิบัติธรรมมาบอกบุญให้ร่วมอนุโมทนาบุญด้วยกันเราก็เขียนอนุโมทนาบุญสาธุไปกับเพื่อนแต่ไม่ได้ใช้เงินเราอย่างนี้เราได้บุญด้วยไหมเจ้คะไม่ได้หรอกเราก็เพียงแต่สแสดงความชื่นชมยินดีไปเท่านั้นเองแต่ความสุขใจมันไม่เกิดเพราะเราไม่ได้เสียเงินทองไป แต่ถ้าเขาเอาเงินที่เขาจะมาใช้นี่เราไปบอกให้พอดีมีบุญที่ควรจะทําก็เลยทําให้ด้วยถ้าเราอนุโมทนาโอาเคยกนี่ไปก็เราก็ได้บุญแต่ถ้าเราไม่อนุโมทนาบอกไม่ได้ต้องเอาเงินมาคืนเราเราก็ไม่ได้บุญเขาก็ต้องเอาเงินมาคืนเราแต่ถ้าเขาเอาไปแล้วเ้าบอกว่าเอาเงินไปทำบุญ เห็นว่าโอกาสที่จะทำบุญอย่างนี้ยากพอดีได้โอกาสดีก็เลยตอนต้นคิดจะเอาเงินมามาคืนคุณพอดีเอาเงินที่จะมาคืนนี่นี่มาไปทำบุญให้คุณคุณยินดีไหมถ้าคุณยินดีอนุโมทนาคุณก็ได้ได้ทำบุญเนี่ยแต่ถ้าคุณไม่ยินดีไม่ต้องการไม่ต้องการทำบุญต้องการเอาเงินคืนคุณก็ไม่ได้บุญเขาก็ต้องเอาเงินมาคืนคุณในภายหลัง คำถามต่อไปจากคุณพัฒนันหลังจากที่นั่งสมาธิแล้วเข้านอนมีอาการเหมือนฝันว่าตัวถูกดูดและดึงลอยไปในอากาศด้วยความเร็วสูงมากเจ้าคะ่ะทะลุหลังคาบ้านจนมองเห็นภาพข้างหลังระหว่างนั้นนึกอยากเห็นอะไรสิ่งนั้นก็ปรากฏขึ้นเราเพลินจนกระทั่งมีมือมาดึงเรากลับและรู้สึกตัวเหมือนเดิม อาการแบบนี้มันเป็นอะไรและมีวิธีแก้ไขอย่างไรเจ้าคะก็เป็นเวลาอาการของจิตที่ไม่มีสติคอยควบคุมนั่นเองเนี่ย <c oughs> พอไม่จิตไม่มีอะไรครวบคุมมันก็แผงเล็ดขึ้นมาทำอะไรตามเรื่องของมันทั้งดีและไม่ดีถ้าเราอยากจะควบคุมมันก็ใช้สติดึงกลับมาพุโทโธพุโทโธดึงกลับมาเดี๋ยวมันก็กลับมาเป็นปกติเหมือนเดิม คำถามจากคุณวันวิพามีสองคำถามครับคำถามแรกหนูพิจารณากายจนวันหนึ่งหนูเช็ดตัวแล้วมามองที่กระจกเราไม่มีตัวตนเราคือใครตัวตนไม่มีมีแต่ธาตุขันแล้วมองคนอื่นมีแต่ขันกับจิตที่เดินได้ธรรมะอันนี้คืออะไรเจ้าคะก็ธรรมะที่เราคิดขึ้นมาตามที่เราได้ศึกษาทนั้นเอง แต่ก็ยังไม่มีประโยชน์อะไรถ้าเราไม่ปล่อยวางในสิ่งที่ไม่ใช่เป็นตัวตนไม่ใช่เป็นตัวเราเช่นร่างกายถ้าเรายังไปยึดติดอยู่ย ว, ว่ามันยังพอร่างกายเป็นอะไรหน่อยแล้วก็ทุกข์ขึ้นมาทันทีก็แสดงว่าความรู้ที่เรารู้มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะเราไม่เอามาใช้ปล่อยวางร่างกาย ในเมื่อเรารู้ว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราเมื่อมันเป็นอะไรเราก็ไม่ต้องไปทุกข์กับมันเหมือนกับร่างกายของคนที่เราไม่รู้จัก <c oughs> เขาเป็นอะไรเราไม่ทุกข์กับเขาฉันั้ร่างกายที่เรามีอยู่นี้มันก็เป็นเหมือนร่างกายของคนที่เราไม่รู้จักมันจะเจ็บเป็นโรคมะเร็งก็ปล่อยเหมันเจ็บเป็นโรคมะเร็งไปเราไม่ได้เป็นมันเราจะไปกลัวอะไรอันนี้ต่างหากที่เราต้องเอามาใช้ เเรารู้แล้วว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราเราก็ต้องไม่ต้องไปทุกข์กับมันมันแก่ก็ต้องไม่ทุกข์กับมันมันเจ็บก็ไม่ทุกข์กับมันมันตายก็ไม่ทุกข์กับมันถึงจะเรียกว่ามีปัญญามีวิปัสสนาญาณที่จะปล่อยวางเพื่อเพื่อที่จะดับความทุกข์ที่มีอยู่ในใจของเราได้นีคำถามที่สองนะครับจิตประกาศว่าเราพ้นจากอบายได้ไหมเจ้าคะพอประกาศเสร็จ ปิติเกิดน้ำตาไหลมีความสุขมากค่ะไม่ได้เราการประกาศใครก็ให้เราประกาศได้คนติดกูก็ประกาศได้ตอนนี้กูพ้นโทษแล้วแต่อยู่ที่คนควบคุมว่าเขาจะปล่อยมึงออกมาหรือเปล่างนั้นมันไม่ได้อยู่ที่การประกาศมันอยู่ที่การที่เรามีธรรมที่จะทำให้เราหลุดพ้นหรือไม่มีดวงตาเห็นธรรมหรือไม่เห็นว่าบาปนี้เป็นเหตุที่พาให้เราไปอบาย ถ้าเราไม่ต้องการจะไปอาบายเราต้องไม่ทำบาปโดยเด็ดขาดเนียไม่ใช่มาประกาศว่าพ้นอาบายแล้วเดี๋ยวก็ไปขโมยเงินของคนอื่นอีกไปไปประพฤติผิดประเวณีไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอีกอย่างนี้ประกาศยังไงมันก็ไม่พ้นคนที่พ้นนี้เขาไม่ทำบาปโดยเด็ดขาดถึงแนมะ้เขาจะต้องเสียชีวิตเขายินดีที่จะเสียเช่นจะอดยาขาดแคลนยังไงก็ไม่ไปยิงนกตกปลามากินไม่ ถ้ามีคนจะมาฆ่าเราก็จะไม่ไปฆ่าเขาเพื่อป้องกันตัวเรายอมปล่อยให้เขาฆ่าเราอันนี้แหละถึงจะพ้นอภัยได้ไม่ใช่อยู่ดีๆประกาศตอนนี้ว่าข้าพเจ้าพ้นอภัยแล้วใครๆก็ประกาศได้เหมือนข้าพเจ้าพ้นนี้แล้วดูธนาคารกขาจะยอมเชื่อมหมเขาไม่เชื่อหรอก ต้องไปจ่ายหนี้ให้เขาหมดก่อนเขาถึงจะเชื่อว่าเออคุณพน้นคุณหมดหนี้แล้วไม่ใช่อยู่ดีๆก็นั่งสมาธิขึ้นมาก็ประกาศขึ้นมาในใจมันไม่เกี่ยวกันคำถามต่อไปจากคุณพิไลพร ถ้าเราไม่ได้ทำงานไม่มีรายได้แต่สามีให้เงินมาเราเอาเงินที่สามีให้มาเก็บไว้ทำบุญเราจะได้บุญนั้นเต็มร้อยไหมเจ้าคะ่ะถ้าเป็นของเราก็ได้เต็มร้อยถือว่าเป็นรายได้เราเป็นภรรยายก็เป็นเหมือนพนักงานทำงานให้กับเขาเขาก็ให้เงินเดือนเราพอเราได้รับเงินเดือนเราจะไปใช้อะไรมันก็เป็นของเรา คำถามต่อไปจากคุณธนากรการนั่งภาวนานั่งไม่สงบเลยครับมีวิธีแก้ไขอย่างไรครับเพราะนั่งไม่มีสติมันก็ไม่สงบนะนั่งต้องมีพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆอย่านั่งเฉยๆหรือต้องดูลมหายใจไปเรื่อยๆต้องมีอะไรให้ใจทําไม่ใช่นั่งดูใจนั่งดูใจก็นั่งดูความคิดมันก็คิดไปเรื่อยเปื่อยก็ไม่มีวันที่จะสงบได้ เอานัง่งเราต้องพุโทโธพุโทโธเพื่อหยุดความคิดหรือดูลมหายใจเพื่อหยุดความคิดพอเราดูลมเราก็จะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้เดี๋ยวมันก็สงบได้ถ้าเราดูลมไม่ได้ก็พุโทโธไปถ้าพุโทโธไม่ได้ก็สวดมนต์ไปถ้าสวดมนต์ไม่ได้ก็ฟังธรรมไปก่อนการฟังธรรมก็ช่วยให้เราหยุดความคิดได้เพราะเราจะต้องมาจดจ่ออยู่การฟังธรรมเราก็เลยไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้ แล้วธรรมก็เป็นอารมณ์ที่ทำให้ใจเราสงบพออยู่กับธรรมเดี๋ยวใจก็สงบเย็นได้แต่ไม่แต่ไม่สงบลึกเหมือนกับการนั่งดูลมหรือนั่งพุทโธแต่ในเบื้องต้นเราไม่มีสติพอที่จะควบคุมให้มันดูลมหรือให้มันพุทโธได้เราก็ต้องอาศัยการฟังธรรมไปก่อน มีญาิโยมชอบมาฟังธรรมวันเสาร์วัอาทิตย์นั่งสมาธิได้ทีชั่วโมงหนึ่งแต่ถ้านั่งเองนั่งไม่นานเดี๋ยวก็นั่งไม่ได้เพราะไม่มีอะไรมาคอยควบคุมความคิดนั่งได้บางทีก็สิบนาทีสิบห้านาทีก็ต้องลุกแต่พอนั่งฟังเทศฟังธรรมไปนี้มันก็นั่งไปได้เรื่อยๆคําถามต่อไป <c oughs> จากผู้ <c oughs> ฝากถาม ถ้าเราบริจาคร่างให้โรงพยาบาลเพื่อให้เป็นการศึกษาเมื่อเราตายจะได้อ น, นี้ส่งไหมครับไม่ได้ร่ะต้องให้ตอนที่เราเป็นตอนนี้ไปที่โรงพยาบาลเลยแล้วเอาเลยจัดการาพาเราออกมาใครอยากจะดูตับไตไส้พุงเราใครอยากจะเอาหัวใจเราไปใช้อยากเอาตับเอาไตาไปใช้บริจาคให้แบบสดสดร้อนๆถึงจะได้บุญ ก็เหมือนกับทำบุญนะญาติโยมมาบอกเราว่าเดี๋ยวตายแล้วหนูจะมาทําบุญนั้นหนูจะมาได้หรือเปล่าเวลาตายนะตายแล้วก็มาไม่ได้ถึงย้ายคนอื่นมาก็ไม่รู้ว่าเขามาหรือเปล่าเราต้องทำในขณะที่เรามีการรับรู้อยู่รู้ว่าเราได้เสียสละสิ่งที่เรารักไปนละเราถึงจะได้บุญคือความสุขใจขึ้นมาคำถามต่อไปจากคุณฟ้าใส เป็นผู้หญิงไม่ว่าจะถือศีลห้าหรือศีลแปดอยู่ในวัดหรือไม่ได้ถือศีลเลยสามารถทําความสะอาดพระพุทธรูปขนาดเล็กขนาดใหญ่ได้ไหมเจ้าคะได้พระพุทธรูปก็เป็นตุ๊กตาทนั้นเองเพียงแต่ว่าอยู่ที่ความเหมาะสมอยู่ที่สถานที่ถ้าอยู่วัดนี้พระเขาไม่ต้องการให้ผู้หญิงมายุ่งเกี่ยวกับเรื่องภายในวัดมากเกินไป พราะกลัวเดี๋ยวจะไปจุดไฟคือราคะให้เกิดกับพระนั่นเองพระกับผู้หญิงนี้อยู่ใกล้กันไม่ได้เหมือนน้ามันกับน้ํามันกับไฟต้องแยกกันอยู่แต่ถ้าเรามีพระพุทธรูปที่บ้านเราอยากจะเอามาขัดเอามาเช็ดมาถูมาอะไรทําได้ไม่มีปัญหาเลยแต่อย่าไปขัดพระพุทธรูปในกุฏิพระก็แล้วกัน <laughs> เดี๋ยวขัดไปขัดมาไม่รู้ใครมาขัดกันก็ไม่รู้ คำถามต่อไปจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามเพราะเหตุใดเวลาที่นอนหลับจะฝันเห็นญาติพี่น้องที่ตายไปแล้วได้รับกรรมอยู่ในนรกทั้งๆที่จิตของลูกก็ไม่ได้คิดอะไรเจ้าค่ะนั่นแหละเวลาที่เราตื่นเราไม่คิดแต่เวลาหลับมันคิดต่อเพราะเวลาเราหลับมันเราไม่มีสติมาควบคุมความคิดมันก็คิดไปตามความคิดของมันไปเท่านั้นเอง คำถามต่อไปจากคุณอัมพรที่ท่านพระอาจารย์เทศสอนว่าภรรยาเอาเงินสามีไปทำบุญโดยไม่บอกกล่าวถือว่าผิดศีลไหมเจ้าคะก็มาบอกทีหลังเยก็ไม่ยังไม่ได้ผิดเพียงแต่ว่าถือวิสาสะในฐานะคนที่อยู่ด้วยกันมีสมบัติแบ่งใช้กันได้ก็ไม่ถือว่าเป็นผิดศีลแต่อย่างใด แล้วก็มีการมาบอกในภายหลังแล้วถ้าเขาไม่ยินดีก็คืนเขาไปก็ไม่ก็ยังไม่ถือว่าผิดศีลถ้าเขาไม่อนุมโมทนาเขาบอกไม่เอาไม่ยอมทำบุญเอาเงินคืนมาเราก็หาเงินมาคืนเขาไปก็ไม่ผิดศีลแต่ยังได้คำถามต่อไปจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามมีสองคำถามนะครับคำถามแรก ชีวิตนี้มีเงินธุรกิจกินอยู่สบายกายแต่รู้สึกเบื่อเหมือนไม่อยากมีชีวิตอยู่เศร้าอย่างบอกไม่ถูกรู้สึกว่าขาดคนรักเหมือนคนรักต่างวิ่งหนีเราไปจะแก้อารมณ์นี้อย่างไรเจ้าคะเราต้องเปลี่ยนวิธีหาความสุขเงอย่างที่ได้เทศมาล น, นี้ความสุขที่เราหาจากเงินทองจากคนนั้นคนนี้มัน เป็นมันมีพิษตามมามีทุกข์ตามมาเวลาที่เขาจากเราไปหรือว่าเวลาเขาไม่ตอบสนองความต้องการของเราฉะนั้นมาเปลี่ยนวิธีหาความสุขมีเงินทองมาทำบุญดูสิมาทำช่วยเหลือคนที่เขาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนแล้วเราจะมีความสุขขึ้นมาคำถามที่สองมีอารมณ์กามรมาคะมากอย่างแรงกล้าต้องเสพวันละหลายครั้งต้องการ มีคนสนองความต้องการของเราทุกมากต้องมีการต้องการที่จะแก้ไขอารมณ์นี้ต้องทําอย่างไรคะออการแก้ไขอารมณ์ต้องใช้ใช้ธรรมะที่เรียกว่าอาสุภะการอารมณ์ของเราเกิดจากการที่เราไปนึกถึงภาพสวยๆงามๆ เ, ออเราต้องไปเปลี่ยนภาพที่เรานึกแทนที่จะนึกถึงภาพสวยๆงามไปนึกถึงภาพที่น่าเกลียดน่ากลัวน่าขยะขยัออ่ง ภาพของคนตายภาพค น, คนภาพของร่างกายอวัยวะต่างๆภาพของโครงกระดูกภาพของตับไตไส้พุงอะไรต่างๆเหล่านี้พอเราเห็นภาพเหล่านี้แล้วาอารมณ์มันก็จะสงบตัวลงถ้าเราไปดูภาพที่เขาถ่ายในหนังสือแฟชั่นในหนังสือแมกกาซีนมันเห็นแล้วมันก็จะเกิดอารมณ์ขึ้นมา งั้นอย่าพยายามหล็กเลี่ยงดูภาพแล้วนึกถึงภาพเหล่านั้นแล้วเวลาเกิดการอารมณ์ก็ต้องพยายามนึกถึงภาพที่ไม่น่าดูถ้าเราไม่เตรียมไว้ก่อนเราจะนึกไม่ออกองั้นตอนที่เราไม่มีอารมณ์นี้ควรหัดไปไปดูภาพที่ไม่น่าดูในในอินเทอร์เน็ตก็เขียนสรากศพดังนั้นมันก็จะมีภาพที่ไม่น่าดูให้เราดูหรือภาพอนาตอมีดูอวัยวะต่างๆ เป็นภาพวาดก็มีเป็นภาพเขียนก็มีดูเพื่อให้เราได้เห็นส่วนที่ไม่น่าดูของร่างกายแล้วต่อไปเวลาเกิดการมารม์ขึ้นมาเราก็ใช้ภาพเหล่านี้มาดับการมารม์ได้ mm hmm. หรือถ้ายัางยังไม่มีกำลังที่จะนึกภาพเหล่านี้ได้เราก็ต้องใช้สติใช้การละลึกถึงพุทโธพุทโธไป ถัดพุดโทโธพุโทโธไว้ก่อนถ้ายังไม่หัดพุดโทโธเดี๋ยวถึงเวลาจะใช้พุโทโธพุโทโธไม่ออกพอรู้สึกมีการมารมขึ้นมาก็ท่องพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปพอเราอยู่กับพุโทโธไปสักระยะหนึ่งเราก็จะไม่ได้เป็นนึกถึงภาพที่น่าหน้าดูหน้าชมมันก็จะทำให้การมารมดับไปได้ แต่มันก็ดับชั่วคราวพอเราหยุดพุดโธเดี๋ยวกลับไปนึกถึงภาพนั้นก็โผล่ขึ้นมาอีกถ้าอยากจะให้มันหายอย่างถาวรก็ต้องนึกถึงภาพที่ไม่น่าดูของร่างกายคำถามต่อไปจากคุณดาครับถ้าคุณแม่นอนป่วยที่โรงพยาบาลแล้วเราซื้อพระพุทธรูปมาให้แม่อนุโมทนาเพื่อนำไปถวายวัด แม่จะได้รับบุญใหม่เจ้าคะ่ะไม่ได้หรอกเพราะถ้าแม่ไม่ได้เป็นคนคิดเองแล้วไม่ได้เป็นเงินของแม่เองนี่ก็แม่ไม่ได้อะไรเลยแม่ต้องเป็นคนสั่งเราว่าให้ไปซื้อพระพุทธรูปมาเอาเงินของเราเนอะและ้วแล้วก็มาให้แม่อ่านมูทนาแล้วก็เอาไปถวายอย่างเงี้ยแม่ก็จะได้บุญครับแล้วก็ การที่จะนําพระพุทธรูปไปถวายสามารถถวายกับวัดไหนก็ได้ใช่ไหมครับได้ที่ไหนก็ได้ไม่ได้บางแห่งเขาต้องการพระพุทธรูปก็ไปให้ได้โรงเรียนบางทีเขาไม่มีพระพุทธรูปก็ไปให้โรงเรียนก็ได้สะนักเดี๋ยนี้าสนงงานักงานราชการทุกะแห่งเขาก็จะมีพระพุทธรูปถ้าเขาไม่มี พ, พุทธรูปเขาต้องการก็ไปบริจาคให้เขาได้เหมือนกัน หรือให้คนก็ได้บ้านไหนไม่มีเงินซื้อพระพุทธรูปอยากจะมีพระพุทธรูปประดับไว้ในบ้านก็ให้เขาก็ได้คำถามต่อไปจากคุณไขหากต้องการหลุดพ้นจากเจ้ากรรมในเวรต้องทำอย่างไรครับก็ต้องอย่าไปสร้างเวรสร้างกรรม สำหรับเจ้ากรรมในเวรเก่าก็ต้องใช้เวรกรรมไปเท่านั้นเองเข้ามาทวงนี้ก็ต้องจ่ายนี่เข้าไปเพราะเราไปสร้างหนี้เอาไว้เราไปทําให้เขาโกรธแค้นโกรธเคืองเขาก็ต้องมาล้างแค้นกันก็ปล่อยเขาร้างแค้นไปพอเขาได้ล้างแค้นแล้วเขาพอใจเขาก็จะเลิกมายุ่งกับเราเ คำถามต่อไปจากคุณแอนเวลานั่งสมาธิแล้วมักจะเห็นอะไรแปลกๆแวบขึ้นมานั่นคือเจ้ากรรมในเวรหรือเราไม่มีสติเจ้าคะอ๋อไม่มีสติพอเผลอสติปั๊บเดี๋ยวก็มีอะไรพุดขึ้นมาในใจก็แสดงว่ามันเป็นเครื่องเตือนใจว่าให้เผลอสติแล้วนะกลับมาหาพุโทโธต่อกลับมาดูลมต่อออย่านั่งเฉยๆอย่าขี้เกียจพอขี้เกียจแล้วเดี๋ยวมันก็โผล่ขึ้นมา มีหมดแล้วใช่ไหมอมีใครอยากจะถามอีกไหมยังมีข้อหนึ่งค่ะถ้าสมเออย่างพระเวสสันดรนะคะที่ว่าใครมาขออะไรก็ให้หมดเนี้ยคะ่ะเป็นการทําทานแล้วถ้าอย่างเราเนี้ยคะ่ะเพื่อนมาขอยืมเงินแล้วเราไม่อยากให้ยืมแต่เรามีนะคะแบบอย่างเงี้ยค่ะอ่านี้แล้วตันดีไหมฮ่อ า, อ, าอันนี้คือบาปไหมคะไม่บาปแต่ไม่ได้บุญเลยแต่ไม่ได้บุญออค่ะ แต่เนยห่วง응ไม่ได้ทําบุญ응พี่เขาถามมาแล้วถ้าให้แล้วไม่ได้คืนลหรคะ <im it> ก็ถือว่าเป็นทําบุญไป응응응 <im it> ก็จะได้บุญถ้าได้คืนก็ไม่ได้บุญเพียงแต่ว่าได้ช่วยเหลือเขาให้เขาบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนแต่ไม่ได้ไม่ได้ทําบุญด้วยการให้เงินทองเขาเพียงแต่ให้เขายืมไปบรรเทาความเดือดร้อนพอเขาหายเดือดร้อนเขาก็มาคืนเรา ก็ไม่ได้ทำทานด้วยเงินแต่ทำทานด้วยการให้ความช่วยเหลือให้เขายืมเงินไปก็เป็นการช่วยเหลือเขาในรูปแบบหนึ่งการเป็นบุญคนละอย่างกันแต่ก็ได้ความสุขคล้ายๆกันค่ะขอบคุณค่ะอะไรอยากจะถามอะไรเหรออ๋อถูกใจคนข้างล่างเหรอ เวลาให้ใครยืมเงินต้องเตรียมตัวคิดไว้ก่อนว่าเป็นการทำบุญจะได้ไม่เสียใจ <c oughs> เพราะว่ามันไม่รู้ว่าเขาจะคืนเรารู้เปล่าเห็าถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ใจหรือโกรธเขาเราคิดว่าสงสารมันให้มันไปถต่ทำบุญไปถ้ามันจะมาคืนก็ถือว่ามันกลับมาทำบุญกับเราถ้ามันไม่มาคืนก็แสดงว่ามันไม่มาทำบุญกับเราก็ไม่เป็นไรเราถือว่าเราไม่ต้องการอะไรเป็น ถ้าเราต้องการความสุขใจเราก็ไม่ต้องการอะไรเป็นสิ่งตอบแทนไม่ต้องการเอาเงินคืนถึงแม้ว่าจะเป็นการยืมก็ตามแต่เราไม่ไม่ถือว่าเป็นการยืมถือว่าเป็นการทำบุญเราก็จะไม่หวังจะเอาเงินจากเขาแต่เราไม่ต้องไปบอกเขานะบอกเข า, าเดี๋ยวเขาไม่คืน <laughs> แต่เฉยไว้ถ้าก็คืนก็ดีไม่คืนก็ไม่ว่าอะไรเราได้ทั้งสองทางคืนเราก็ได้เงินคืนถ้าก็ไม่คืนเราก็ได้บุบญแทนะได้ทั้งสองอย่างหมดหรือยังมีครับอ่าคําถามทายครับคําถามสุดท้ายจากคุณนงลักษการดูลมดูลมพร้อมบริกรรมหรือบริกรรมส่วนบริกรรมโชคะหรือลมหายใจ กับบริกรรมผูกกันไปหรือลมตัางหากได้ทั้งสองอย่างจะดูลมอย่างเดียวก็ได้บริกรรมอย่างเดียวก็ได้ดูลมไปบริกรรมไปด้วยก็ได้ได้ทั้งเป็นสามวิธีด้วยกันแล้วแต่จะชอบเอาแล้วนะวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพิิจพิจารณาไปปฏิบัติ